ในประกินกะคาถาเพื่อไปเครื่องสดทององค์คศธาบารามีที่บรรดาธนติจาธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันที่สิบห้ามกรกฎาคมพันห้ารอยสามิห้าเป็นวันพุธ ต, ตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดเป็นวข้าวพรรษา ประการมาเป็นกุศลนั้จัญญาสัมมาปฏิบัติของบรรดาชนพุทธบริษัทวันนี้มีมากมายด้วยกันบุญหลายอย่างหลายประการจะเทศอย่างเดียวย่อมไม่มีผลไม่ครบกับบุญที่บรรด า, รานรช น, าๆๆนพุทธศาสนิกชนมาเป็นเพลิแลในวันนี้ยังจะนำเอาพัจจินากาทิปนามาเทศคำว่าปัจจินากาแปลว่เล็กๆในน้อยสั้นๆแต่ได้อย่าง วันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอันดับแรกปก็พากรรมถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปเป็นต้นก็มีผ้าไตรบ้างไม่มีผ้าไตรบ้างมีอาหารหนิ่งใบ้างในกาลที่สองก็นําเทียกนกระาวาเข้าบรรษามาถวายการที่สามทุกท่านตั้งใจถวายเป็นธรรมทานคือบูชาพระธรรม ทั้งหมดนี้ชื่อว่ามีอานิสงส์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายต่างก็พาการสมาทานชินด้วยสมาทานวางเทศด้วยทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างฉะนั้นมีนำมาเทศเฉพาะสั้นๆทําให้บรรดาท่านพุทธศาสนจันบ่ายหนึ่งการถวายทิ้งข้าบรรษาเทียนเป็นแสงสว่างทําลายความมืด การถวายเทียนเ า, ารารษ า, านี้บรรดาธรรมพุทธวิสัตถนายอานิสงส์ในการถวายเทียนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดคําว่าความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มีจะคิดอะไรก็าตามจะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ทางความประสงค์นี่อย่างหนึ่ง ให้ประการหนึ่งการถวิญถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพระศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีสมีกายสว่างมากต่อไปถ้ามรุปมรุปจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพยุญยานอย่างพระอนุรุตอย่างพระอนุรุตนี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระที่พมไปชอบวัดไหนหมืดชอบสว่างถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสั่ท้ายเมื่อเป็นพระอรหันตวิชาสามท่านสามารถมีทิพยกุญญสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่อรหรนันติสัญญาญก็จะสู้ไม่ได้นี่เปการหนึ่ง ถ้าท่านนั้นหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสาคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสาคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองนั้นมีบุญมากตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่อเจ้าจะมีพระชนอยู่ เวลานั้นสาวกพองค์สังเกตพระบรมครูคือพระมหากรสออกจากนิโรธสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในบรนก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดดาวดึงไปเที่ยวสวนนันทวันบังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอินทร์ไม่ทราบ มีแสงสว่างมากกว่าพระ อ, อิน์พระ อ, อินก็ถามปัญจสิกธาเทพบุตรว่านั่นใครปัญจสิกธาเทพบุตรก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระ อ, อินท์ก็หนักใจเลยกลับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัวเพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสงสว่างไม่เท่าเขา ต่อมาเมื่อวันลงขึ้นประมหา ก, ก, ออ ก, ากระสรุออกจากนิโรธาสมาบัติตามธรรมดาพระจะออกจากนิโรธาสมาบัติจะต้องโปลดคนจนเขาไม่โปรดคนรวยถ้าบุคคลผู้ใดทำบุญแต่ผู้เดียวในวันนั้นถ้าจนอยู่ในวันนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีทันทีถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ ดังนั้นเมื่อหากระสบออกจากนิโรธสมาบัติปันดาว น, นางฟ้าทั้งหลายก็พากันเหาะมามาเป็นฝูงจะมาถ่ายบาทก็หากระสบถ้หากระสบก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงะเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับ กลับไปก็เห็นพระอินจัแจงตัวพอดีตั้งใจจะไปใส่บาตรพระมหาก็ศกนางฟ้าก็กราบทูลว่าเทวราช อ, อย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหาก็ศกขับเพราะคนรวยไม่ทํให้ทำบุญจะให้ทําบุญเฉพาะคนจนพระอินก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บาตรไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บาตรได้ จากนั้นพระ อ, องค์จึงนิรมิต ก, กระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองแล้วสองคนตายายคือว่าทั้งสามีปัญญาปัญญาฉันด้วยก็แปลงเป็นคนแก่พัญญาท่านก็นั่งทำกับข้าวอยู่ในครัวไร้ อ, อินก็เป็นคนแก่นั่งดึงดัดดึงต้นหญ้าอยู่ชายบ้านพอดีกระหมากก่ามกระสกก็มีความนมิตว่าร่างกายลราอดข้าวมาทั้งสิบห้าวัน เวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์หระบ้างท้าาจปัยวินาตก็มองเห็นภาพคนแก่สองคนน่าสงสารแก่มากท่านยายก็แก่มากทันตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญาอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายายนี่คนในการสงเคราะห์ ท่านลืมใช้ทิพยานไปอย่าลืมว่าพระอาหารหันต์นี่ไม่ใช้ใช้ทิยานตลอดวันนะเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็น <c oughs> ถึงแม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามถ้าเขาต้องการจะรู้เขารู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนบินทาพระกี่คนนั้นเสิร์ญพระกี่คนอยากจะใส่าบาตรเท่าไรอยากจะฆ่าสัตว์เไรเขาต้องการจะรู้เนี่ยรู้ได้ทันที เวลาจะเลยมแล้วก็ตามใครพูดว่ายัางไงบ้างเขาจะรู้หมดฉะนั้นพระมหากรสก็สกลืมใช่ที่ผูยย้ใหคือว่าไม่ใชินลืมไม่ใช่หน้าที่พระอรหันต์ที่ต้องใช้เกอดวันพระอรหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ <c oughs> คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดจากชานสมาบัติมีการทรงตัวให้ชานสมาบัติเมื่อเห็นคนแก่สองคนหน่าสงสายก็สองคนตายยายแรงตัวลงมาแล้ว ถ้ามหากระจดเห็นคนแก่เข้าวันนักสงสารลุกไหลก็ไม่มีลําบากเหลือเกินก็เหาะมาในอากาศพ ถ, ถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตาก็บอกว่าพระคุณยา่าเขารับเขาไดมนุษย์หยุดก่อนแต่เขารับผมสองคนตายยายจนมากอยากจะทําบุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆจะพบพระแต่ครั้งหนึ่ง บางครั้งพบพระก็ไม่มีของทำบุญบางทีมีของจะทำบุญก็ไม่พบพระเวลานั้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเช้ายังไม่ได้กินได้โปดรดรอเดี่อนรุณเขารับถ้ามหากระสุก็หยุดท่านตากร้องถามท่านยายว่าย้ายอาหารในครัวเสร็จแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าเสร็จแล้ว ถ้าอย่างนั้นนำมาใส่บาดพระท่านเธอก็แกไม่ได้แกงไม่ได้ห่วงกันนี้เดวเองล่ะเห็นไหมเล่าของทิพย์เห็นนะทําท่าเป็นแบบนั้นหลอกว่าหาศพอย่าลืมนะพระหลานก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะถ้ายายก็ดําหันมาไอ้นี่มันเท่แข่งกับพระเลยว่าเนี่เท่แข่งกับหมาได้ดีเหมือนนะ เป็นไอ้มาสัญญาิก็ น, นำอาหารมาท่านหั่นศพมันก็ไม่ได้สนใจพอใส่บาดลงไปในบาดเป็นอาหารเป็นทิพย์ก็เตะจมูกทันทีหรือพ ร, ระมหาศพเนี่ยท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารจะเทวดายจนชินพรากริ่นกระทบ ก, ก็รู้สึกทันทีว่านี่ของทิพย์จึงใช่ทิกุยานุบาอาวตายจริง นี่มันไม่ใช่ตาแก่นี่ท้าวโกศีสักกเทวราชเขาก็อินทหารก็ส่งคำถามว่าท้าวโกสีท่านร่ำรวยเป็นเทวราชเป็นเทวราชาแล้วทําไมมาแกล้งคนจนมาแย่งคนจนพระ อ, อจุนีรัตสมาบัติเขาจะสงเคราะห์คนจนพี่ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับท่านถามว่าท่านมีเวทยันตวิมานสูงต้องพันชั้นมีนางฟ้าประจันวิมานตั้งแสนองค์ ถ้ามีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทำไมจะเรียกว่าจนท่าบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสวนนันทวันไปเจอเทพโอทึงเป็นบริวาลของผมสี่องค์มีรัศมีกายสว่างกับผมในเมื่อผมเป็นนายเขาไม่แสนสว่างจากกายสู้เขาไม่ได้มันก็ใช่ไม่ได้ต้องหาบุญบา ร, รมีเพิ่มอ่านก็สบไม่รู้ทำไงบอกทีหลังจะทาอย่างนี้นะเอาไปแล้ว เห็นไหมฮนะไม่จเป็นไรไปเขากินเข้าไปแล้วบอกทีหลังอย ก, กินอีกนะเขาล่อทั้งหมดแล้วเห็นไหมเออท่านพระอินทร์ก็เลยยอมรับบอกทีหลังไม่ทำนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบังเอิญมีเทวดาวไหนสว่างกับผมผมก็เอาใหม่คร <c oughs> <c oughs> าวนี้เลิกกันพระอินทร์ก็เลยเหาะเข้าไปบอกากาศ ร้องเสียงกล้องทั้งการประสุทินงังปตเมทานางังโหธานังประมะทานางัาานางอัมเหหิอัมมหากตสปานะอัศรกายาอังโหตุที่ญาโยมว่ากนันนี่เสียงนี้กล้องของพระนสสุมหาวิหารท้าพระเจ้ากรุงเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าข้าท่านพระเจ้าบอกว่ากระศบลูกชายตถาคตเสียท่าไปอินทรแล้ว เอาสะละไปเที่ยวหนึ่งโดนมาไหลเที่ยวเต็มทีประหาก็จบหนิแต่ความยิงท้าก็ทานไปอาจารย์ทวดดงชนะขายันินทานเนี่ยเล่าสู่กันฟังได้ก <c oughs> ็ <g oda> เป็นอนุภาพการถวายเทียนข้าบรรสายก็ดีจะถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรจะ ม, มีแสงสว่างมากท่นนี้การถวายสารทาน การถวายสังฆทานที่บรรดาญาโยมพุทธริสัทธ์ถวายวันนี้ในภาณนีนโตต้องแยกอานิสงส์ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวโดยเฉพาะอานิสองส์อันดับแรกคือถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปนี่ถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าจะมีรสมีกายสว่างมากเหมือนแสงเทียนสว่าง เตุการนี้สองท่าถวายผ้าไตรตายไปเบื้องหน้าเกิดใหม่จะมีเครื่องอดามหาก็สัตว์ละประสาทมีราคาสี่หกโถดจะนางวิสาขาถ้าถวายผ้าไม่ถึงไตรจะมีเครื่องประดับอบันเป็นทิพย์สวยงามมาเกิดมาเป็นคนก็มีเครื่องแต่งตัวสวยมีอาหารหน่อยหนึ่งจะไปเห็นใี่ร่างกายอันเป็นทิพย์ตอนนี้ตัวอย่างตอนนี้คงไม่จบ ถ้าเนแท้จะจบก็ตายทั้งคนฟังทั้งคนเทศเนี่ยตัวอย่างก็ไม่ยุว่าพระพระมหาทาสาดีบทเขินวันหนึ่งท่านเจริญพระกรรมฐานพระอรหันต์นี่ไม่ใช่กิเกียรติมันได้แยกโยมพระตัวไอัตวนะจะนึกว่าพระที่เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นเลิกปฏิบัติพิปัสนาธรรมะพิปัสนาไม่ใช่พระอรหันต์นี่ทำถี่ว่าคนธรรมดามาก จิตจะไม่ยอมว่างจากฌานสมาบัติจะคุยกันอยู่จะเทศกันอยู่จะฟังกันอยู่อยู่เฉยๆก็ตามจิตจะไม่ทิ้งจากสมาบัติเลยคือติด ก, กันตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อพระมหาเมาืม่อพระาสบุตรเข้าสมาบัติแล้วก็ตั้งตั้งใจไปเที่ยวนรกออกจากนรกมาสู่แดนเปรต เปรตมีเยอะแต่ถ้าไม่สนใจสนใจเปรตผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งถือผ้าดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปคนเข้ามาแล้วก็ดึงออกคนเข้ามาแล้วก็ดึงออกหยุดไม่ได้จะหยุดไฟไม่ตัวใ้ท่นเห็นผู้หญิงเปรตกำลังเข้าท่านก็ยืนเฉยเฉยท่านรู้พระนี่รู้ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้อย่าลืมนะ ไปหาพระที่เขาเขาเก่งในสมถาวิปัสสนานะ่ะอย่านึกว่าเขาไม่รู้นะบางทีพอเห็นหน้าปับเดี๋ยวเขารู้เราแล้วนะแต่เขาไม่พูดไม่ใช่หน้าที่พระจะพูดพอได้ยินชื่อเขาก็เขาเขาต้องการจะรู้เขารู้แล้วอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามว่าเราดีเราชั่วแค่ไหนนี่เขารู้แล้วคนนี้ได้เจตุริย า, ยาน ท่านก็ยืนข้างๆผู้หญิงเปรกก็ถามว่าท่านจำฉันได้ไหมอาสาจิบุกก็แกล่งถามว่าฉันกับเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงเปรกก็บอกว่าในสมัยรอยชาติที่ผ่านมาแล้วฉันเคยเป็นแม่ท่านแต่ว่าเป็นหญิงใจร้ายขาดเมตตากรุณาม่ใจอมทิต มีราคาเขาบ้างคือค่าสาัตว์บ้างลักทรัพย์ บ, บ้างโกงเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านเป็นคนใจบุญจริงกุศลแม่จะเป็นลูกก็ทำบุญให้ทานเสมอตายจากความเป็นคนชั้นลงมาเป็นเปรตท่านไปนเกิดบนสวรรค์เวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ชันยังเป็นเ ป, นเปรตอยู่สาวอากอักสาวงศ์เดชพระบรมโคก็ถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหม พี่ยังเปิดหรือว่าตาว่าท่านอย่าสงเคราะห์วันพรุ่งนี้เช้าท่านบินาบาตมาแล้วให้ถวายสังฆทานครับสงสวรรค์พระงฆ์ศาสนาโคดมเทวทิต่งส่งให้ฉันฉันจะมีโอกาสละจากความเป็นเปรป็นเทวดาเป็นนางฟ้าภาษาที่หนึ่งกรับคำํำ <c oughs> เมื่อตอนเชา้าถ้าเป็นบินาบาทมาเวลานั้นท่านอยู่ป่า กับข้าวในป่าก็ไม่มีอะไรมากชาวปา่าเขาให้นี่ท่านมีทุกศิษย์อยู่ห้าร้อยองค์เวลาจะฉันท่านฉันนอกวงลูกศิษย์ฉันทูกศิษิ์ฉันในวงพระหยิบใบไม้มาใบหนึ่งเอาข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ประเคียนไปในวงพระแล้วใบไม้อีกใบใบไม้แห้งหยิบกับข้าวนิดหนึ่งส่งในวงพระ นำน้ำใส่บาทรสาบาทรสาบาทรหนึ่งถวายไปในวงพระให้ผ้ากว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบส่สงไปในวงพระเป็นการถวายสังฆทานมีการถวายสังฆทานจริงๆนะไม่ต้องพูดอะไรตั้งใจคิดว่าเราจะถวายสังฆทานนี้ก็เป็นสังฆทานแล้วไม่ต้องว่าใครยาวเหย็ดถึงทั้งพระหิวเ <c oughs> <c oughs> มื่อท่านถวายสังฆทานเสร็จ ทหานก็อุทิศสุขส่วนท่านก็โยมท่านหลังจากทำวัดสดวนเช้าเสร็จให้กระโจนพระสายสายอีกสามองค์มีพระอนนทบัลโม ก, กุลาพระสายที่หมดเป็นต้นสร้างศัางลาคนลหลังเป็นวิหารทานถวายไว้ในพุทธศาสนาให้ศัลาที่สร้างก็ไม่มีอะไรเอาไม้ปักข้อสี่อันแล้วก็ไม้พ้าหลังคาเอาใบไม้ปรคุมเท่านั้นเอง แค่ต่างคนต่างก็อดทิศสงสานันแหลมารดาภาษาดิบุทพอถึงเวลากลางคืนพระทั้งหมดเจริญพระกรรมฐานนี่พระท่านอาสงฆ์จําลยนะบอกกันทุกทุไปนะว่าพระไม่บวชมาเพื่อลองเพลงพระไม่บวชมาเพื่อกิจอื่นต้องเจริญกรรมฐานสมถะวิปัสสนาพราะาหันทำให้ปกติ อะไรที่ไม่ได้ต้องทำให้ได้คำว่าไม่สามารถต้องไม่มีในเราดังนั้นเมื่อรพระสารพระเจระกรรมาฐานแล้วตามธรรมดาพระโมกขลาเพราะจิตสงัดท่านจะไปเที่ยวนรกบ้างสวรรค์บ้างแต่ว่าวันนั้นไม่ทันจะไปเพราะจิตเริ่มสงัดก็มีนางฟ้าคนหนึ่งมาในอากาศแสงสว่างทั่วจักรวาล มีเครื่องประดับก็สวยมีวิมานทองคํามีสกักโบกนาท่านโมลาก็แปลกใจกว่าทุกคืนเราไปบนสวรรค์ไม่เคยเจอนางฟ้าคนนี้เลยคําว่าที่ท่านไม่รู้จักนางฟ้าคนไหนนี่ไม่มีในวันโมลาเพราะท่านเที่ยวทุกวันเจนั้นท่านยังถามว่าพระกินีดดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหน มารดาภาษาจิปุตก็บอกว่าฉันคือมารดาเขาภาษาจิบุตเมา่อร้อยชาติที่ผ่านมาแล้วเมื่อตอนเช้าและตอนกลางวันเมื่อตอนเช้าภาษาจิบุตได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้กลับกับข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ไปถคียพระทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยเห็นได้ร่างกายอันเป็นทิพย์ แล้วก็ประการ 2, ที่สองภาษารี่บทได้ถวายน้ําหนึ่งบาฟ้าบาทกับพระเป็นเหตุให้ฉันได้สะประกอบกรณีแล้วประการในสามภาษาที่บทถวายผ้ากว้างหนึ่งคือคือบยาหนึ่งคืบกับพระสงฆ์เป็นเหตุให้ฉันได้ร่างกายกเครื่ อ, องประดับอมเบนทิพท่านทั้ ง, 4, งสี่ส้นสั้ลาหมางเงนสี่หลัง ถวายก็สงเป็นปัจจัยฉันได้ได้ได้วิมานเนี่ยบรรดาญาโยพระตวบริสัทธทั้งหลายไอนน้สงไปอย่างนี้นะต้องเท่กันทีละน้อยดัน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริสัทธ์นอกจากจะถวายเทียนและถวายสังฆทานแล้วก็ยังมีธรรมทานธรรมทานนี่เป็นธรรมที่สงสุดในพุทธศาสนาคือเงินติดกันเทศ เงินติดกันเทศนี่เขาเรียกธรรมทานเขาเรียกธรรมทานตามพระบาลีแต่ว่าสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างเมใ น, นสงสงก็าทานทั้งหมดอย่างพระสารีบุตรชอบถวายธรรมทานในชาติก่อนมาในชาติหลังนี่เป็นพระอาจารย์ที่มีปัญญาเลิศที่สุด ไม่มีใครมีปัญญาดีเท่าภาษาดิบดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันวันนี้หลายท่านเอาเงินมาใส่ไข่ข้างหน้าแต่มาเป็นธรรมทานนี่การถวายธรรมทานนี่มันด้ญาติโยมบริษัทหลายครอบคู่ควบเลยนะการถวายสังฆทานของท่านกับการถวายเทียนเทียนมีแสงสว่ า, วางพระวัตรุกก็ไปเหตุที่มีแสงสว่ า, วาง แล้ก็มีพระอามเป็นทิพย์ถ้าถวายพระต่ยจะขึ้นด่ามหมาวิสาชษทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยทุกท่านจะไม่มีความยากจนเข้นใจในชาติต่ตอไปการถวายสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตระพุทธเจ้าบอกว่าดินแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์มีความยากจนผลนแร้งอย่างประเทศไทยคืนี้ท่านจะไม่เกิดในที่นั้น ถ้าในสถานที่ใดมีความเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในศักขินจะเกิดแต่ที่นั่นวงความเปนคนที่ถวายสังฆทานและจิตใจเรื่มใสจริงๆจะมีความโง่ในความจนนั่นหมายความทุกชาติจะหาความจนไม่ได้ช่างมันโง่ก็ช่างมันนะเราไม่จนก็นแล้วกันคือไม่รู้จักคำว่าจน อันนี้บรรดาบรรดาญาโยมพุทธศาสนชนทั้งหลายการทำบุญวันนี้นอกจากสังฆท า, านและเงินของท่านส่วนใหญ่เป็นวิหารทานเงินที่ติดกันเทศก็ดีเงินใส่ไขงก็ดีส่วนใหญ่ก็สร้างวัดบำรุงวัดเวลานี้กำลังทาสียี่ิบห้าไล่ใช้เวลาไม่กี่วันหมดไปห้าแสนเสร็แล้วในไหลล้านบาทสีสีนี่นะ ก็เป็นวันว่าต่อที่ไปท่านกลับมาถวยถายแต่เป็นธรรมทานอีกต่อไปชาติเบื้องหน้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคําว่าโง่จะไม่มีกับท่านาความคิดใดๆที่มืดตื้อทึบตืบ้อตือคิดไม่ออกจะไม่มีกับท่านท่านจะเป็นคนมีปัญญาดีมีความปลอดโปร่งอยู่เสมอมีอารมณ์แจ่มใสมีความสุขมีความสบายอรบรรดาญาโยมุิบวิษณ์ทัน นอกจากนั้นท่านยังสมาทานศีลความจริงศีลห้านน่าจะรักษาให้ครบถ้าครบทุกวันได้ก็ดีถ้าครบทุกวันไม่ได้ ร, รักษาวันพระให้ครบแล้ว ก, ก็ก่อนจะนอนนอนลงไปแล้วก่อนจะหลับนึกถึงภาพที่เราเคยถวายสังฆทานที่เคยมาทำบุญ ทำบุญที่นี่วัดนี้มีสภาพเป็นยังไงคิดว่าวัดทางวัดเป็นของเราเพรเงินของเราที่มาถวายที่วัดนี้เราสร้างวัดนี้อาตมาไม่ได้เก็บแม้แต่งเงินที่ถวายเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้เก็บเอาร่วมสร้างวัดหมดเพื่อบรรดาลญาติโยมยยโยวุฒิบริษัทมีอานิสงส์มากขึ้นที่วัดท่าซุงทั้งวัดเป็นของเราทั้งหมด จะเป็นชิ้นไหนก็ดีเงินของเรามีส่วนทางนั้นเทะทูตโรกทุกองค์เราก็ไม่ส่วนและประการที่สองการถวายทานมีอะไรบ้างถ้าคิดไม่ออกก็คิดตรงๆว่าเคยถวายทานแล้วประการที่สองเราเคยฟังเทศประการที่สาเราเคยถวายาติดกันเทศเป็นธรรมทานประการที่สี่เราเคยมีศีลประการที่ห้าเราเคยเจริญสรมรภิษนา ตั้งใจนึกไว้เพียงเท่านี้แล้วก่อนหลับถ้าก่อนจะนึกถึงตอนนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าศาสนาจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าวัดวารามจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้านึกพระพุทธเจ้าก่อนแล้วนึกถึงทางการให้นึกเท็จที่เราเคยฟัง มันจำเรื่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่าเคยฟังเทศมันแล้วเคยรักษาศีลมันมแล้วเคยถวายสังฆทานมาแล้วมีพระพุทธรูปมีผ้าไตรมีผ้าเหลียงมีอาหารนิดหน่อยฝล่อยเทียนเข้าสารเราก็ทำแล้วตอนนี้เราต้องการจะไปไหนถ้าต้องการสวรรค์นึกว่าจะตายแล้วขอเกิดบนสวรรค์จะได้ทันทีถ้าต้องการความเปโลกคิดว่าตายคำนี้ต้องการความโลกก็ได้ทันที ถ้าเราคิดว่าเราจะไปนิพพานถ้าคิดว่าขอบุญบา ร, รมีนี้จงดนบันไดข้าเจ้าเข้าถึงนิพพานเราก็จะไปได้ทันทีเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้เป็นเทศตกองค์ปัจจุบันเมื่อวานนี้เป็นเทตกองอมทมองมทมท่านบอกว่าการคิดอย่างนี้ก่อนหลับคิดหน่อยหนึ่งถ้าตื่นใหม่ๆก่อนจะทํางานก็คิดอีกหน่อยหนึ่งคิดทุกวัน การคิดทุกวันนี้มันตัดทุกวันการคิดคิดคิดทางการให้ตัดโลภความโลภ ก, การคิดถึงศีลตัดโทสะความโกรธการคิดถึงปรธรรมปฏิสนาเป็นตัดโมหะความหลงนี่มันตัดทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวนักนัเข้าอารมณ์มันก็จะชินชินที่เคยรักษามไม่ครบทนก็จะยกโทษ การที่เคยให้ยากเราก็ให้ง่ายให้น้อยเราก็ให้มากให้ตามกำลังไม่ใช่มากเกินพอดีแต่บอกว่าการคิดเท่นี้ไม่ใช่ผลไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นการเจริญสมถทวิปัสสนายายไปในตัวเสร็จอารมณ์ที่คุมให้เราคิดนี่เป็นสมถะภาวนา ความรู้สึกที่เราคิดเป็นมิปัสสนาภาวนาอย่าลืมนะหากิน ง, ง่ายๆไปง่ายๆดีกว่าหากินยากๆไปยากๆเช่นขบันดาญาโยมพุทธัิษัตถหลายโดยทนหน้าเมื่อทำบุญแล้วจงอย่าทิ้งบุญเราทำบุญทิศลาหลังนี้เราได้บุญแล้วเมื่อลุกขึ้นไปแล้วอย่าให้บุญมันหล่น ไปเกาะติดไปถึงบ้านก่อนจะหลับอย่าลืมนึกถึงว่าวัดท่าทรงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเอาวันทั้งวัดทั้งวัดที่เป็นเงินของญาติโยมทั้งหมดอาตมาไม่มีเงินไม่วัดนี้มีเงินอยู่ร้อยบาทร้อยบาทก็ไม่ได้มาสร้างวัดมาซื้อข้าวสารกินต้องโปลูกระท่อมอยู่ซื้อข้าวสารกินซื้อกับข้าวกินเงินร้อยบาทที่ไม่จะสร้างวัด เอยอะกว่าด้วยไม่ทันจบดันเสียร้องมาได้น้อยเนี่ยก็เป็นนั้นว่าข้ารันใดญาติโยมพศศระศาสนาหลายจะคิดว่าของทุกอย่างในวัดนี้เป็นของท่านเดินดูไส้รอบๆว่ามันมีอะไรบ้างนี่ยเราเป็นสมบัติของเราทั้งหมดแล้วทานเราเคยให้ศีลเราเคยรักษาภาวนาเราเคยทําเพศเราเคยฟังทําทานเราเคยถวาย เท่านี้เลยบรรดาเทพุทธวิสัตถนัยตั้งใจไว้ว่าเรตายแล้วจะไปไหนถ้าอยากไปสวรรค์ก็สั้นเกินไปอา น, นิสงส์งมันสูงอยากไปพรมโลกก็สั้นเกินไปอยากไปนิพพานดีกว่าปนิพพานไปได้ยังไงพระจะบอกว่าขณะที่เรามีทุกขเวทนานหนักก่อนจะตายเวลานั้นความโลภมันไม่มี ความโกรธจะไปตีกระใครมันไม่มีความหลงติดในร่างกายไม่มีพรามีทุกเวทนาหนักเวลานั้นนั่นแหละอารมณ์ผลิตภัณฑ์จะเข้าแทรกทันทีถ้าเราคิดตัววันหลังจากนั้นถ้าดับจิตเมื่อไรก็ปฏิพภาณเหมืนนั้นอรับันดาญาติโยมผู้โดยสัตหลายนาฬิกามันเตือนก็ต้องเชื่อมันนะก็ข อ, อยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้อีกวันเดี๋ยวหนึ่งไปที่พระเจ้าผงเงินนะ ต่อที่ไปก็เป็นหน้าที่ของทายกอัานธรรมยังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุ